บอกว่าสังสมอัธยาสัยในการพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะคล้ายๆว่าค่อยๆแยกแยะ ก, กาหนดจดจาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะสิ่งนั้นหมดไปเพราะเหตุอย่างนี้สิ่งนั้นแปรปรวนไปเพราะเหตุอย่างนี้แต่ผู้ที่เขาเจริญแบบนี้เป็นเป็นชีวิตจิตใ จ, จเนี่ยนะเว้นแต่ผู้ที่ ปรารถนาจะพ้นจากวัตะหาได้ยากเพราะว่าโดยมากผู้ที่พิจารณานั้นจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไม่ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญจะต้องหมั่นอบรมนะนะทุ่มเทเป็นชีวิตจิตใจคือไม่ถือว่าเป็นสาระนั่นเองการที่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในการสาม ในสังขารทุกชนิดเนี่ยนะอย่างการที่เราได้กล่าวไปเนี่ยนะโดยอะไรบ้างอ่าการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาโดยสรุปพิจารณาโดยอาถานะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาโดยอาถาคือโดยว่าเกิดเป็นชาติเลยนะนะขันธาตุอายตนะชาติที่แล้วก็เสื่อมสิ้นสลายไปแปรปรวนไปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของชาติที่แล้วนั่นแหละของชาติหน้าต่อไป ขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาในชาติเหล่านั้นนั่นแหละขันในปัจจุบันนี้ปัจจุบันชาตินี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดับสิ้นหมดไปในชาตินี้นี่แหละหรือถ้าใครที่ถนัดแบบอธิตตะปริยสูตรอยู่แล้วก็บอกว่าขันอายตนะชาขันอายตนะธาตุในชาติที่แล้วก็เป็นของร้อน นะร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนด้วยไฟคือชาติชารามรณะเป็นต้นแผดเผาเหมือนกันขันทาอายตนะในชาติใหม่ในพบใหม่ก็เหมือนกันก็เป็นของร้อนด้วยไฟคือชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตพบนี้ชาตินี้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในที่เรารับรู้กันอยู่เนี่ยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและ อุปายาตเนี่ยนะทั้งชาติเลยนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้การพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าโดยอาาัฏฐาอัฏฐาเนี่ยโดยเวลาอันยาวนานยาวนานแค่ไหนก็ยาวนานระดับภพบชาตอิอย่างที่สองเนี่ยพิจารณาแบบสมัยแบบสมัยสมัยเป็นอย่างไรก็สมัยตั้งแต่เกิดจนถึงตายว่าชีวิตในชาตินี้ทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงตาย ชีวิตทั้งชาตินี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ้นอยู่ในภพนี้ดับอยู่ในภพนี้นี่แหละอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าโดยสมัยเหมือนกันคือสมัยที่มีอยู่ชั่วชาติหนึ่งแล้วก็สมัยแบ่งออกแบบแบ่งชีวิตคูณสาม อ, อหารสามสินะหารสามว่าชีวิตทั้งชีวิตในอหารสามของเรานี้สมัยใหม่เขาก็มักจะกล่าวว่าประมาณเจ็ดเจ็ดสิบห้านะ แต่หลายท่านที่นี้เกินอายุกลับเหมือนกันนะเอา75เดี๋ยวเขจะลาบากใจมากนะเอาเอาเยอะๆหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าพูดแบบคนรุ่นใหม่ๆหน่อยก็บอกว่าประมาณ75นะรุ่นที่เกิดมาใหม่เสีาตายไม่ใช่ไม่ได้ตายช้าลงอะไรก็ปถ้า75เนี่ยหารสามเท่าไหร่ก็25ปีช่วงวัย25แรกก็ไม่ถึง25ที่สอง25ที่สองก็ไม่ถึง25ที่สามก็ถ้าแบ่งเป็นสามวัยอย่างเงี้ยนะ นี่ก็ลองมาหาดูว่าชีวิตเนี่ยแต่ละวัยแต่ละวัยแต่ละช่วงนะแต่ละระยะวัยเด็กวัยศึกษาเล่าเรียนวัยประกอบอาชีพประกอบกิจการงานวัยเกษียณนะวัยวัยนี้โดยศั์แปลตามตรงอยู่แล้วแปลว่าเสื่อมนะความเสื่อมของแต่ชีวิตแต่ละช่วงแต่ละระยะไล่ละเอียดมาจนถึงเท่าไรแม้กระทั่งวันแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปในพระไตรปิฎกเนี่ยนะ ที่เรียกว่าพระสูตรอภินาปั จ, จเวกคณะสูตนั่นะ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเลยว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพราะวันคืนที่ล่วงไปนั้นพัดพาเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปด้วยพาเอาควาสัตว์เนี่ยไปสู่ชราและมรณะไปด้วยแล้วพระองค์ก็ยังบอกว่าเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไป อันนี้หมายถึงว่าเราเกิดมาในชาตินี้ยังไงก็ตายเมื่อเราตายสิ่งที่เราจะพอใจขนาดไหนเราก็ต้องจากเนี่ยนะจากสิ่งนั้นไปถ้าเราไม่ตายจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ตายจากเราไปก่อนมันก็มีสองอย่างถ้าเราไม่จากสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จากเราเพราะสังขารทั้งหลายก็มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสังขารทั้งหลายก็มีความแตกทาลายเป็นที่สุดเพราะเป็นธรรมชาติของเข้าเป็นอย่างนั้นเมื่อสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ เราควรจะทำอย่างไรคือเมื่อสังขารทั้งหลายโดยสภาพที่เป็นจริงโดยสภาพแท้แล้วสังขารทุกชนิดล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาะสังขารตัวนั้นที่โดยสัจจะเขาเรียกว่าทุกขสัจจะเนี่ยนะทุกขสัจจะนั้นทั้งหมดล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกขและเป็นอนัตตาสังขารที่เป็นทุกขสัจจะเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดอยู่เหตุหลักๆที่ทาให้รูปเกิดก็คือ อวิชาตันหาอุปาทานและกรรมในการพิจารณาในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะตรงนี้ว่าเมื่อเราคล่องท่องจำโดยสูตรโดยคําสอนอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นะเราจะบอกว่าเออเนี่ยที่เราลืมตาเนี่ยนะตัวตาที่ลืมมาเห็นเนี่ยก็อวิชาตัหากรรมอาหารเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตาเหล่านี้เกิดเมื่อเราลืมตาก็คือการสร้างตาต่อไปอนะลืมตาเพื่อให้มีตาในชาติต่ตอไป เราได้ยินเสียงหูของเราเนี่ยอวิชาตันหาอุปาทานกรรมนําเกิดมามีหูอย่างนี้ก็อาศัยหูเพื่อได้ยินเสียงเพื่อสร้างหูในพบต่อไปเพราะว่าเมื่อเราได้ยินเสียงแล้วอวิชาตันหาอุปาทานกรรมก็เกิดตามเดิมทวารจ ม, มูกก็เหมือนกันใช่ว่าที่เรารู้กลิ่นเนี่ยจ ม, มูกก็เพราะอวิชาตันหาอุปาทานกรรมนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จ ม, มูกเหล่านี้เป็นต้นประชมพร้อมกันขึ้น เมื่อมีจมูกก็สัจสายหากลิ่นที่น่าพอใจบ้างหรือว่าหากลิ่นที่ไม่น่าพอใจทั้งหลายเพื่ออะไรเมื่อรับกลิ่นเหล่านั้นแล้วก็อวิชชาตันหาอุปาทานกรรมก็เกิดต่อไปอีกเพื่อให้มีจมูกฉนั้นการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้จะต้องมันเชื่อมโยงอย่างนี้ให้มากๆถ้าการเชื่อมโยงเหตุกับปัจจัยเหตุกับผลเชื่อมโยงอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยถ้าเชื่อมโยงกันไม่ออกจริงๆเนี่ยนะ ยิ่งเจริญมากยิ่งสับสนมากเนี่ยนะยิ่งพิจารณายิ่งสับสนเพราะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นว่าเราเดินไปในทางที่เราไม่รู้แล้วจะไปไหนต่อไปทำไมไปพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตก็เต็มไปด้วยความสับสนและงงงงไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเพราะแยกเหตุแยกปัจจัยไม่ออกแต่ที่สำคัญมากคือรู้เหตุเกิดนะเป็นเบื้องต้นนี้จะต้องเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้มีความเกิดขึ้นอย่างไรตาเกิดขึ้นอย่างไรหูเกิดขึ้นอย่างไรจมูกเกิดอย่างไรลิ้นเกิดอย่างไรร่างกายเกิดอย่างไรสภาพจิตทั้งหลายเกิดอย่างไรรูปทั้งหลายเกิดอย่างไรรูปคือตาหูจมูกลิ้นร่างกายทั้งหลายเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสี่สมุทฐานที่เกิดจากกรรมกรรมมรุปเกิดขึ้นได้อย่างไรนะที่เกิดจากจิตแล้วจิตเป็นปัจจัยให้รูปเหล่านี้เกิดอย่างไรที่เกิดด้วยอาหารอาหารเป็นปัจจัยให้รูปเหล่านี้เกิดอย่างไร ที่เกิดจากอุตุอุตุเป็นปัจจัยแก่รูปเหล่านี้อย่างไรอันนี้คือความพิจารณาความเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งรูปอันนี้ต้องชัดเจนถ้าหากว่าเราไม่รู้ถึงเหตุเกิดขึ้นของของรูปจริงๆเนี่ยนะเราจะไม่มองว่ารูปในพบใหม่นี่มันเกิดอย่างไรคือการเจริญปัญญาเนี่ยนะถ้ายิ่งระดับสูงมากยิ่งต้องใช้ปัญญาที่ละเอียดลงไปเท่านั้น ยิ่งอาศัยความรู้อาศัยข้อมูลเพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นเพราะว่าในระดับสูงนี่ใช้ปัญญาอย่างเดียวยนะใช้ปัญญาเป็นหลักอย่างเดียวซึ่งคุณธรรมอื่นๆต้องมาประครับประคองอีกมากมันความเข้าใจในเบื้องต้นนี่ต้องทำความเข้าใจให้ดีโดยที่ไม่สับสนโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของรูปานะการเกิดขึ้นของรูปไอ้ไม่เที่ยงนี่ไม่ค่อยยากเท่ากับว่ามันเกิดยังไงนะเขาบอกว่า ทำลายกับสร้างเนี่ไหนยากกว่ากันถ้าว่าจริงๆแล้วก็สร้างยากกว่าใช่ไหมรู้ความสร้างกับรู้ความเสื่อมอันไหนรู้ยากกว่ากันจริงๆแล้วรู้สร้างนี่ยากกว่าเสื่อมถ้ารู้สร้างเท่าไหร่ก็จะรู้เสื่อมเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้การสร้างก็นึกนะนะก็เหมือนกับแช่งเเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงอะนะมันไม่เที่ยงถ้าเจริญไม่เป็นนี่ก็เหมือนเป็นคนนักแช่งดีๆนี่แหละ เดี๋ยวเข า, เขาเเก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์โดยที่ไม่ได้เกิดการวิเคราะห์อะไรนั้นการพิจารณาโดยกรรมชรูปจิตเฉรูปอุตุชรูปอาหารชรูปความประชมเกิดขึ้นการเจริญเติบโตขึ้นของรูปเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรเจริญเติบโตอย่างไรอันนี้สําคัญมากนะสำคัญมา ก, มากอย่างกรรมชรูปเกิดทุกอะไรกรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตแล้วกรรมที่มานําเกิดมีอะไรบ้าง กรรมที่นําเกิดตรงๆก็เป็นชนะ ก, ะกรรมใช่ไหมทิตตธรมมนำเกิดได้ไหมไม่ได้ะนะทิตตธรรมให้ผลเป็นทวีปัญจะได้แต่ให้ผลเป็นกรรมมชรูปนั้นหายาก อ, อุปชาวเวทนียกรร ม, มมานำเกิดได้ไหมได้อปิราภรเเวทนิยกรรมให้รูปเหล่านี้เกิดได้ไหมได้อุปชาวเวทนิยกรรมมาอุปธรรมได้ไหมได้มาตัดรอนได้ไหมได้นีนะ อุปชาวเวทนิยากรรมม า, มาเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้ได้ไหมได้นะมัดฆ่ามาทําลายก็ได้เป็นต้นแล้ก็ศึกษาว่าไอ้ความเกิดขึ้นแห่งรูปทั้งหลายที่ก่อตัวกันขึ้นรูปทั้งหลายเกิดทุกอนุขณะจิตอนุทุกขณะจิตก็จริงแต่ก็มีกรรมที่นําเกิดส่วนหนึ่งกรรมที่มาอุปธรรมนั้นส่วนหนึ่งไอ้เกิดนี่เกิดแบบได้รับการสร้างให้เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้มาอุปธรรมคือกรรมนี้อุปธรรมแล้วก็มี กรรมที่มาเบียดเบียนแล้วก็มีกรรมที่มาตัดรอนเนี่ยนะมีกรรมที่มาตัดรอนมันแสดงว่าการเกิดขึ้นของรูปก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าปลอดภัยสักเท่าไหร่ใช่ไหมอุปสรรคอันตรายของการเกิดขึ้นแห่งรูปเนี่ยมีมากมายนะท่าของจิตทชรูปล่ะจิตทชรุปก็เกิดทุกอนุขณะจิตในอุปาทขณะอาหารชรูปก็ประทับอาหารที่ที่บริโภคเข้าไปก็ ดูแลเลี้ยงดรูรักษากายนี้ต่อไปส่วนอุตุชรูปก็ก็เป็นไปนะเป็นผลพวงจากกรรมชรูปบ้างเป็นผลพวงของจิตตชรูปเป็นผลพวงของอาหารชรูปอุตุชรูปก็เป็นไปอย่างนี้ถ้ารู้จักรูปอย่างนี้แล้วรูปเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดนามธรรมทั้งหลายแต่ถ้าพิจารณารูปที่เกิดจากกรรมโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา พิจารณารูปท e, e ี่เกิดจากจิตโดยความเป็นของไม่เที wszy, ่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพิจารณารูปที่เกิดจากอาหารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพิจารณารูปที่เกิดจากอุตุตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทำไมจึงไม่เที่ยงทําไมจึงไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดและมีความตายเป็นที่สุดเนี่ยนะ สิ่งที่เราไม่ควรลืมเลยคืออัตถะของคำว่าไม่เที่ยงคือความหมายของคำว่าไม่เที่ยงในหน้าอะไรในหน้า112หน้า113เนี่ยนะที่พูดถึงความหมายของคำว่าไม่เที่ยงนั้นคำว่าไม่เที่ยงมีความเกิดและก็มีความเสื่อมสิ่งใดที่มีความเกิดมีความเสื่อมสิ่งนั้นแหละเรียกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความแปรปรวน หรือมีกาละเพียงเท่านั้นคือหมายความว่าอายุใช้งานของสิ่งนั้นอะ่ะมีเท่านั้นอายุของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีอยู่เท่านั้นแล้วก็ปฏิเสธในความเป็นของเที่ยงไม่มีใครหรือผู้ใดทําให้เที่ยงได้อย่างจริงแท้หรือสังขารทั้งหลายเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะสังขารที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่แล้วก็ถึงความชราที่ถึงชราก็ถึงความ แตกทำลายไปแน่แท้ชีวิตที่เป็นไปกับความเกิดความแก่และความตายเนี่ยจะบอกว่าเป็นสุขได้อย่างไระนะสิ่งใดที่เป็นไปกับความแก่และความตายสิ่งนั้นเราก็เรียกว่าเป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วก็เบียดเบียนเนืองเนือใช่ไหมลำบากมากอยู่ด้วยความลําบากทนได้ยากคือหมายความว่ามันจําเป็นต้องอดทนเนี่ยนะอย่างการมีชีวิตของเราเนี่ยจำจำทนะนะโดยโดยมากแล้วจริงๆแล้วจําทนไม่มีใครมีความสุข อันนะัจริง จ, งจงสักเท่าไรโดยมากก็ใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะจำทนถ้ามีทางออกอย่างอื่นที่ดีกว่านี้คงอาจจะอาจจะเลือกกันไปหมดแล้วเพราะแสดงว่าชีวิตที่เป็นอยู่โดยมากก็ลักษณะจำทนก็เลยเรียกว่าทนยากแล้วก็เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งทุกขสารพัดอยา่างปฏิเสธความสุขที่แท้จริงส่วนคําว่าเป็นอนัตตาล่ะ ก็ไม่มีผู้ใดเข้าไปมีอำนาจว่าที่เกิดมาแล้วจะตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่แล้วอยแก่ที่แก่แล้วอยาตายเป็นต้นไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงใช่ไหมแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอาัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตราว่างจากผู้สร้างว่างจากผู้ครองว่างจากผู้เสเวยสิ่งนั้นมีอยู่จริงในฐานะที่เป็นกองทุกข์โดยที่ปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนใดใทั้งนั้นนะ นแต่แต่คนผ่านทั้งหลายเข้าใจผิดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่มีเจ้าของสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปในอำนาจของผู้ใดแล้วก็ไม่มีอัตตาที่พวกเดียรถีคิดขึ้นว่าอัตตานี้เที่ยงอัตตานี้ศูนย์เป็นต้นเนี่ยไม่มีดังนั้นการพิจารณาโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาโดยรู้เข้าใจความหมายแล้วก็เข้าไปใคร่ครวนแล้วใคร่ครวนเล่าวิจัยแล้ววิจัยเล่าอันนี้เรียกว่าธรรมวิจัยใช่ไม การวิจัยเหล่านี้วิจัยโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นการวิจัยหรือเป็นการพิจารณาอนุโลมต่อการบรรลุอริยมรรคถ้าปัญญาไม่มีการพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาอนั้นจะไม่เป็นปัจจัยให้แก่อริยมรรคเด็ขดอย่างเด็ดขาดคือคือปฏิเสธได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้อนิจจังแล้วจะบรรลุอริยมรรค เป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่รู้ทุกขังแล้วจะบรรลุอริยมรรคเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่รู้จักอนัตตาแล้วบรรลุอริยมรรคเพราะว่าอริยมรรคเกิดขึ้นโดยการพิจารณาขันธ์หว่าเป็นอนิจจังว่าเป็นทุกขังและว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าวิปัสสนาทั้งหลายตัววิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยอย่างไรก็ต้องเป็นไปกับอนิจจังทุกขังและอนัตตาส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอนิจจังของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน อันนี้จังของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างว่าไม่เหมือนเป็นยังไงเพราะบางคนก็มองว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปนะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มีความหมายเหมือนกันมีความหมายเหมือนกันนะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะ มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปดั บ, ดบไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ลักษณะของอนิจจังหรือมอรณงมรณงก็อนิจจังนั่นแหละนะหรืออะไรนะเป็นของวันไว้จรตโตเนี่ยนะวันไหว้หรืออะไรเปโล ก, กโตคำว่าโลกที่แปลว่าสลายก็อนิจจังเหมือนกันหรือคําว่าเกิดคําว่าเสื่อมพวกนี้ก็ประกาศหรืออธิบายอนิจจังถ้าทุกขังละ่ะ เป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นของลำบากเป็นของที่มีความเจ็บไข้เนเป็นของที่เป็นผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเออขออภัยเป็นเป็นเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นของที่มีความชราเอ่อของที่มีความเกิดเป็นธรรมดาชราเป็นธรรมดาพยาธิเป็นธรรมดาเป็นของเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความเศร้ามอง เป็นไปกับด้วยอาสวะกิเลสเนี่ยนะเป็นไปด้วยความยากความลาบากหาที่ซ่อนหาที่เร้นไม่พบเป็นของมืดเป็นของร้อนเป็นของลําบากอันนี้ก็อธิบายในทุกลักษณะเป็นคําอธิบายในสภาพที่เป็นทุกข์ว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นเป็นทุกข์ส่วนที่เรียกว่าเป็นอนัตตานี่คืออะไรเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นของไม่ใช่ตนนะอันนี้ก็ลักษณะของ อนัตตานันตามวิจัยวนเวียนเวียนว น, วนใค ร, Tigers, ร่ครวญแล้วใคร่ครวญเล่าก็อย่าเบื่ออย gan, ่านายอย่าท้อถ้าท้อในการเห็นอนิจจังเราก็ต้อตามเห็นว่านิจจังสิเนาะใช่ไหมถ้าเบื่อที่จะพิจารณานิจจังก็แสดงว่าเรายินดีที่จะพิจารณาเนจจังถ้าเราเบื่อในการพิจารณาทุกขังก็แสดงว่าเราเบื่เเอเราก็แสดงว่าตามเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของสุขถ้าเบื่อที่จะตามเห็นโดยความเป็นอนัตานนาตาก็แสดงว่า ยินดีที่จะตามเห็นว่าเป็นอัตตาสองทางนี้ต่างกันอย่างไรหมายคือว่าถ้าตามชื่นชมขันทั้งหลายว่าเที่ยงตามชื่นชมขันทั้งหลายว่าเป็นสุขตามชื่นชมขันทั้งหลายว่าเป็นอัตตาตันหาย่อมบริบูรณ์เมื่อตันหาบริบูรณ์อวิชาก็บริบูรณ์ตันหาและอวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมทากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้ บริบูรณ์กรรมที่บริบูรณ์ก็นำไปสู่ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกตโโโมนัสและอุปายาตพระพุทธเจ้าบอกนั่นคือการสร้างวัตตะวิธีสร้างวัตตะนี่ไม่ยากนะนะซึ่งปกติเราก็ชำนาญอยู่แล้วตามชื่นชมสังขารเถอะโอ้อนั่นก็ดีนี่ก็ใช้ได้นั่นก็น่าปรารถนานี่ก็น่าพอใจนั่นก็สุขนี่ก็สบายนั่นก็ดีนี้ก็น่าปรารถน า, น า, น า, นานเป็นต้นตามชื่นชม อันนี้คือเรียกว่าการเพิ่มปุ๋ยให้วัตะเพราะว่าจิตทั้งหลายก็จะยังลงตรมมวิญญาณก็ยังลงเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นช า, รามรณ ะ, ะชาติชารามรณะก็จักบริบูรณ์อย่างนี้แลแต่ถ้าตามโครจรโดยความเป็นของไม่เที่ยงโครจรโดยความเป็นทุกข์โครจรโดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของยากเป็นของลําบากใจก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะว่าการไข่ครวญพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ จิตก็จะเริ่มเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นว่าเรานี้ไปคาดหวังในสิ่งที่ไม่ดีจริงเราไปหวังในสิ่งที่มันมันไม่ได้นำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงเราไปเพลิดเพลินสิ่งที่มันเป็นทุกข์ขณะเดียวกันอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งชาติทุกข์เป็นตน้นนะถึงว่าตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นสุขดีแต่สิ่งนั้นก็นามาซึ่งชาติชราและมรณะวันยางค่ามันก็เลยมองว่า นี่เราไม่น่าเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเลยเมื่อไม่น่าเพลิดเพลินจิตก็น้อมไปที่จะเห็นภัยของสิ่งเหล่านั้นการเห็นภยัยการเห็นโทษแล้วก็ความน่าเบื่อหน่ายของสิ่งนั้นเพราะผู้ที่ไม่เบื่อหน่ายในสิ่งนั้นก็ไหลไปสู่ทะเลคือทะเลคือชาติชาราเป็นต้นไหลไปสู่ห้วงแห่งกองทุกโดยส่วนเดียวมันก็ต้องหมั่นแยกแยกตรงนี้ให้ออก แยกว่าถ้าตามชื่นชมขันโดยความเป็นของเที่ยงสุขงามและอัตตาอะไรจะบริบูรณ์ถ้าตามพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้มากอะไรจะบริบูรณ์เพราะว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตาุปัสสนาที่บริบูรณ์ย่อมยังนิพพานุปัสสนาให้บริบูรณ์มันตามเห็นโดยอนิจจ์ทุกขังอนัตตามากเท่าไหร่นิพพาความน่าเบื่อหน่ายของวตาก็จะปรากฏชัดมากเท่านั้น อันนั้นเป็นอุปนิสัยให้อาริยมรรคแทงตลอดธรรมที่สงบประงับจากกองทุกเหล่านี้แล้วก็ต้องหมั่นเจริญโดยเฉพาะอนุปัสสนาสามให้มากในทุกเรื่องแล้วก็ในทุกอารมณ์ในรูปสัตตกะอรูปสัตตกะเนี่ยนะในนาวาสูตรสูตรที่ว่าด้วยการจับด้ามมีดในอัตกฐา น, นั้นก็ยังพูดถึงว่าเรื่องพิจารณารูปสัตตกะอรูปสัตตกะแม้พระพุทธเจ้า ก่อนจะดับขันปริณิพานพระองค์ก็ยังพิจารณาเรื่องรูปสัตกะอะรูปสัตกะเหล่านี้อยู่นะพันผู้ที่เจริญเจริญวิปั ส, สนาแบบรูปสัตะกะอะนะทั้งเจ็ดหมวดคือหนึ่งหมวดว่าด้วยถื อ, อถือเอาแล้วก็ทิ้งไปสองเสื่อมไปตามวัยสามอะไรอาหารชรูปสี่อุตูชรูปห้ากรรมชรูปและสุดท้าย อ่ขออภัยข้อ6จิตตชัวรูปสุดท้ายธรรมดารูปอ่ถ้าพิจารณารูปเสร็จแล้วพิจารณาอารูปต่อไปเนี่ยนะสามารถเข้าพราสมาบัติได้อย่างลึกซึ้งด้วยะนะเข้าพราสมาบัติหรือผู้ที่เจริญวิปัสนาอย่างนี้เนี่ยนะวิปัสนาเขามีกำลังเป็นอุปนิสัยอย่างดีเขาตอของอริยมรรคเพราะการพิจารณาโดยอ่เก็บสิ่งต่างๆมาพิจารณาแต่ที่สาคัญพิจารณาจากของหยาบที่สุดแล้วไล่มา มหาละเอียดละเอียดละเอียดะเอียดแต่สมัยใหม่เอาละเอียดแล้วค่อยๆไปคิดเรื่องหยาบก็สวนทางกันเนี่ยนะก็สวนทางกั น, น, น, นพอสวนทางกันเข้าก็ก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยแะผลทั้งมาทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ไม่น่าปรารถนาสักเท่าไหร่การพิจารณาของโบราณเลยเนี่ยน้อมพิจารณาอดีตอนาคตแล้วจึงมาพิจารณาปัจจุบันสมัยใหม่ขึ้นผ่าปัจจุบันเปรี้ยงขึ้นเลยอย่างนี้ก็เลยมีความต่างกันในในวิธีการหลายเรื่อง ดีไหมย่อมั่นดีรึเปล่าแ้วเราก็ท่านว่าอย่างเราก็ต้องไปทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าคนเก่งอ น, นะอุย้ยสมัยใหม่ก็ชอบมากเลยนะบอกว่าอย่าจะรีบถ้าบอกว่าจงรีบนะเขาจะเฉยอย่างเงี้ยเป็นสมัยที่เรียกว่านิวาโตจะในไม่มีสักอย่างนิวาโตปแปลว่าอะไรอ่านะคารโวจะนิวาโตจะความเคารพความถ่อมตน นะครัือความเป็นผู้ว่า ง, ง่ายเป็นต้นเนี่ยนะก็สมัยใหม่นี่ค่อนข้างยากหน่อยคือที่ยากมันก็น่ายากะนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักคนพระพุทธเจ้าเลยจะให้เชื่อพระพุทธเจ้าไปหมดมันก็มันก็กลอยู่ใช่ไหมเพราะเกิดมาก็ฟังแต่กรามาสูตรอย่าเชื่อนะมาตะเหิตัวอย่าเชื่อโดยการตรึกอย่าเชื่ออู้สอนมาแต่คําว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อก็เลยกลัวว่าคนเก่งเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกอ น, นะก็มีแต่คําประเภทนี้ นะอันนั้นใช้ได้ถ้าในแวดวงของคนผานนะในแวดวงของหมู่ผู้ไม่มีศีนไม่มีธรรมเป็นต้นเนี่ยใช้ได้ดีแต่ในหมู่ของผู้มีคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะอันนี้จำเป็นจะต้องคาระวะจะเป็นต้นนะนะเนี่ยมาดูการพิจารณาแบบอารูปสัตตกะบ้างนะในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดดูท่าและเรื่องน่าจะยาวแต่ถ้าเอามาอ่านให้ฟังเราจบไปนานแล้ว หลายคนอ่านจบมานาน้วใช่ไหมข้อหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเออจ็ด้อยสิบเจ็ดกล่าวว่าส่วนคำที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าโดยเกี่ยวกับหมวดเจ็ดแห่งอรูปดังนี้มีมาติกาดังต่อไปนี้คำนี้ดึงมาจากหน้าไหนนะเอามาจากหน้าไหน เอามาจากหน้า111นั น, นะที่บอกว่าให้พิจารณาเกี่ยวกับรูปสัตกะและอรูปสัตกะเพราะฉะนั้นข้ อ, ขอความที่ข้อความในอะไรนะข้างฟันหนูนะตรงกลางนั่นนะว่าโดยเกี่ยวกับหมวด7แห่งอรูปเนี่ยก็คืออรูปสัตกะนั่นเองก็ดึงข้อความมาจากหน้า111มาที่บายว่ า, านะอรูปสัตกะแปลว่าหมวด7แห่งอรูปมีอะไรบ้าง 1. กลาปโต1โดยเป็นกราบสองย่มะกะตโตโดยโดยเป็นของมีคู่ 3. คณิกะโตโดยเป็นไปในขณะแห่งจิตคณิกเนี่ยนะโดยเป็นไปโดยขณะนะปาติปาติโตโดยลำดับ 5. ทิฏฐิอุขาตนโตโดยการเพิกถอนทิฏฐิ 6. มานะสมุ ค, คาตะนะโตโดยการเพิกถอนมานะเจ็ดนิกันติปริยาธานะโตหมายถึงโดยการทำความคร้ให้สิ้นไปติแปลว่าดังนี้นี่มาดูข้อคาอธิบายตามลำดับทีนี้คาอธิบายเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสองนัยยะด้วยกันคือเนื่องจากว่าสมัย สมัยพระพุทธโคสอาจารย์หรือสมัยก่อนพระพุทธโคสอาจารย์เนี่ยข้อปฏิบัติสายใหญ่ๆมีอยู่สองสายคือสายวิสุทธิกะถากับสายอริยวังสะกะถาคือสายแบบข้อคําพูดที่บริสุทธิ์กับคําพูดที่เป็นของพระอริยะเนี่ยนะแต่ว่าพระพุทธโคสอาจารย์โดยมากท่านเลือกเอาสายอริยวังสกักถานะ ทีนี้มาดูวิธีพิจารณาแบบวิสุทธิกะถาในเรื่องเดียวกันเนี่ยมีมุมมองในการพิจารณาสองในนะในที่เป็นวิสุทธิกะถากับ อ, อ, อริยวังสากขาแต่ก็คือน่าเชื่อถือทั้งคู่นะถ้าไม่ดีจริงพระพุทธโคสาจารย์ท่านไม่ยกมาแต่ท่านบอกว่าในนี้ง่ายกว่าเป็นต้นเนี่ยนะ อ, อย่างเช่นบอกว่าคําว่าโดยกลาอันนะกะลาปโตเนี่ยนะว่าธรรมะทั้งหลายมีภาษาเป็นที่5ชื่อว่ากรา นะธรรมะมีภาษาเป็นที่ห้ามีอะไรบ้างภาษาเวทนาเจภาษาเวทนาเจตนาและจิตเนี่นะภาโาโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหตินะในในจิตตุปบาททกันเนี่ยภาษาเวทนาสัญญาเจตนาและจิตธรรมะห้าเนี่ยนะพระโยคีย่อมพิจารณากราบอย่างไรตอบว่าภิกษุในพระธศาสนานี้ ยอมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าทำทั้งหลายมีภัษะเป็นที่ห้าที่เกิดขึ้นในคราวพิจารณาว่าผมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและทำทั้งหลายที่มีภาษะเป็นที่หเกิดขึ้นในคราวที่พิจารณาคนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นโคจรตามอาการ32ทั้งหมดนะว่าผมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ขนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะขนเล็บไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาฟันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเล่อย่างเนี้ยไปจนครบเท่าไหร่ดีท่านบอกว่าจนถึงมันสมองก็คืออาการสาถ้าเพิ่มเป็นอะไรธาตุไฟอีกสี่ธาตุลมอีกหกก็เป็น 42ก็ตามที่เจรณาสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์ก็น่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระธรรมะที่ไปพิจารณานั้นเอาอะไรไปพิจารณาเอาเอาเอาบอกว่ายกตัวอย่างว่าธรรมะที่อยู่ในจิตที่พิจารณาอย่างนั้นนะมีภาษาเป็นที่5อันนี้ยกแบบที่ชัดๆะนะคืออะไรภาษะเวทนาสัญญาเจตนาและจิต พวกสติหฮริโอตปะในนั้นมีแต่ไม่พูดถึงเอาเฉพาะห้าอย่างที่เป็นภาษะปัญจกะบอกว่าธรรมทั้งหลายมีภาษะเป็นที่ห้าเหล่านั้นทั้งหมดยังไม่ทันถึงธรรมมีภาษะเป็นที่ห้านอกนี้ก็ย่อมพิพนาาไปเป็นข้อๆเป็นส่วนๆเหมือนงาที่ใส่ในกระเบื้องร้อนแตกดังตะตะตะ ต, ะตะอยู่เะนั้นใครไปคัวงามดังอย่างนั้นบ้างัวยงมันต้องคั่วข้าตอกแล้ว คือสรุปว่านะพิจารณาว่าผมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาด้วยด้วยชาวนาจิตใช่ไหมด้วยภาษาปัญจากาด้วยภาษาเวทนาสัญญาเจตนาและจิต5อย่างเนี่ยนะทีนี้จิตที่มาพิจารณาขนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมนาก็อีกกลุ่มหนึ่งไหมกลุ่มที่พิจารณาผมก็กลุ่มหนึ่งจิตที่กลุ่มพิจารณา ขนก็กลุ <lere> ่มหนึ่งจิตที่พิจารณาเล็บก็อีกกลุ่มหนึ่งจิตกลุ่มที่พิจารณาฟันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็กลุ่มหนึ่งจิตที่พิจารณาหนังว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็อีกกลุ่มหนึ่งอ่านภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่พิจารณาหนังก็อีกกลุ่มหนึ่งภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่พิจารณาเนื้อก็อีกกลุ่มหนึ่งภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่พิจารณาเอ็นก็กลุ่มหนึ่ง ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่พิจารณากระดูกก็กลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตที่พิจารณาผมกลุ่มนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงพิจารณาขนภาษาเวทนาสัญญาเจตนาที่พิจารณาขนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงจิตที่พิจารณาเล็บจิตที่พิจารณาเล็บก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มาถึงพิจารณาฟันจิตที่พิจารณาฟันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงมาพิจารณาหนัง จิตที่พิจารณาหนังไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็สิ้นไปไม่ถึงพิจารณาเนื้อจิตที่พิจารณาเนื้อก็ไม่ถึงพิจารณาเอ็นจิตที่พิจารณาเอ็นไม่ถึงพิจารณากระดูกจิตที่พิจารณากระดูกก็ไม่ถึงพิจารณาเยื่อในกระดูกจิตที่พิจารณาเยื่อในกระดูกก็ไม่ถึงพิจารณาไตจิตที่พิจารณาไตก็ไม่ถึงพิจารณาหัวใจจิตที่พิจารณาหัวใจก็ไม่ถึงพิจารณาตับจิตที่พิจารณาตับก็ไม่ถึงพิจารณา พังผืดจิตที่พิจารณาพังผืดก็ไม่ถึงม้ามจิตที่พิจารณาม้ามก็ไม่ถึงปอดจิตที่พิจารณาปอดก็ไม่ถึงลำไส้จิตที่พิจารณาลำไส้ก็ไม่ถึงสายรัดไส้จิตที่พิจารณาสายรัดไส้ก็ไม่ถึงอาหารใหม่จิตที่พิจารณาอาหารใหม่ก็ไม่ถึงอาหารเก่าจิตที่พิจารณาอาหารเก่าก็ไม่ถึงมันสมองจิตที่พิจารณามันสมองก็ไม่ถึงน้ำดีจิตที่ถึงน้ำดีก็ไม่ได้พิจารณาน้ำเลือดน้ำเสลเจิตที่พิจารณาเสลเจก็ไม่ถึงเลือดจิตที่พิจารณาเลือดก็ไม่ถึง น้ำหนองจิตที่พิจารณาน้ำหนองก็ไม่ถึงเหงื่อจิตที่พิจารณาเหงื่อก็ไม่ถึงมันข้นจิตที่พิจารนามันข้นก็ไม่ถึงมันเหลวนะนะเป็นต้นนะก็ไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆจนครบ42่สิบอว่าเขาถือว่าจิตคนละกลุ่มคนละกลุ่มคนละกลุ่มคนละกลุ่มเพราะนั้นพิจารณาเรื่องนั้นก็หมยายถึงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่ากลาปะโตแบบกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่พิจารณาพร้อมกลุ่ม จิตกล่มที่พิจารณาผมจิตกลุ่มที่พิจารณาขนจิตกลุ่มที่พิจารณาเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นใข้ควรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยของมาเชื่อว่ามันลบตัญหามานะได้จริงกันนะก็คิดดูนะเราลองคิดดูแค่ๆแหละลักษณะสมมติถ้เราโกรธใครสักคนหนึ่งนะเราโกรธผมใช่ไหมหรือโกรธเล็บหรือโกรธฟันหรือโกรธผิวหนังโกรธเนื้อโกรธเอ็นโกรธกระดูกคิดอย่างนี้วนสัก18รอบเนีนะ ถามว่าโทรศัท์มันเลิกโกรธไปตั้งนานแล้วเออนี่พิจารณาอย่างนี้ในวัตถุที่เราพอใจเช่นพอใจในรูปผมคนเล็บฝันหนังเป็นต้นถ้าพิจารณามากๆถามว่ามันจะเลิกละไอความพอใจได้ไหมเลิกละความเคลาในสิ่งเหล่านี้ได้ไหมมันได้อยู่แล้วอนะมันถามว่าจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแหละหรือว่าทําแล้วมันต่อเนื่องไหมแค่นั้นแหละดูถามพีอิตดูต่อเนื่องแค่ไห น, นดูถ้าบรรลุยากเลยพีอิตไม่ต่อเนื่อง เอาไปเจริญให้มันต่อๆกันน้อยเนะสงสารคำภีท่านอุสาพิมพ์เยอะๆเลยให้เราได้เรียนได้ศึกษาสงสารคนทำหนังสือเนีมาดูอริยวังสากถาบ้างอีกวิธีหนึ่งนะฮะนี้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งว่าพระโยคาวจรนั้นเมื่อพิจารณาจิตดวงที่เป็นไปในฐานะเจ็ดในเจ็ดหมวดแห่งรูปในหนหลังว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เธอสรุปว่าเป็นจิตใช่ไหมที่ไปพิจารณารูปอาทานะนิเคปะนะวโยวยะวุถังคามะเนี่ยวุถังคมะเนี่ยนะแล้วก็อาหารชรูปจิตแต่ชรูปกรรมชรูปอุตตุชรูปธรรมดารูปเป็นต้นเนี่ยเป็นชาวนะเป็นปัญญาเป็นจิตใช่ไหมที่ไปพิจารณาก็บอกใช่ก็เอาจิตอีกชุดหนึ่งไปพิจารณาจิตที่พิจารณาตอนแรกพิจารณารูป ตอนนี้มาพิจารณานามว่าจิตดวงก่อนที่พิจารณ า, านั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างนี้ชื่อว่าพิจารณาโดยกลับกลาปะคือกลุ่มกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ไปพิจารณ า, ารูปสัตตกะทั้งเจ็ดหมวดนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่ท่านสังเกตดูนะท่านหลีกเลี่ยงสังเกตดูนะท่านท่านหลีกเลี่ยงในการใช้คํามากท่านจะใช้คําที่เป็นปริญญาธรรมท่านจะไม่ใช้คําที่เป็น ภาเวตาปทรรม